นนในวิธีการของหลวงพเทียนนั้นท่านจะเริ่มต้นให้เข้าใจเรื่องกายกับใจรูป ก, กับนามให้ให้ชัดเจนนะทีนี้กายกับใจรูป ก, กับนามในความหมายของท่านที่เราให้ให้เราเข้าใจก็คือให้เข้าใจถึงความรู้สึกในกายในใจไม่ใช่ไปเข้าใจว่ามันเป็นดุน้นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเดาเป็นเขาอันนั้นเป็นส่วนที่เป็นสมมุติ แต่ในส่วนที่ท่านให้เข้าใจในส่วนที่เป็นปรามัตดคือในส่วนที่เป็นความรู้สึกล้วนๆแต่ความรู้สึกมีสองส่วนความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาะความรู้สึกทางใจเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงเอาตัวความรู้สึกทางใจเนี chatter, ่ยมาเป็นนิมิตกรรมฐานแต่อาศัยความรู้สึกทางกายคือเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่สังเกตเป็นที่อ เป็นสนามงานหรอเด็ดเป็นสนามงานเหมือนกับความรู้สึกทางกายคือเวทนาทั้งหลายเหมือนกับกะทิเราเอาไปเคียวด้วยอาตาปาีก็ออกมาเป็นสติสัมปชัญญะตัวอาตาปีเนี่ยจะเปลี่ยนเวทนากายเวทนาให้เป็นสติสัมปชัญญะสัมปชา น, นสุสติมาเวลาเราสวดอาตาปีสัมปชา น, นสุสติมานั่นหมายความว่าอาตาปีเนี่ยจะแปลงตัวเวทนาทั้ง3าม สุขทุกสบายไม่สบายนี่ความสบายไม่สบายความเฉยเฉนี่ที่เราไม่รู้ให้มันเป็นตัวรู้คือตัวสัมปชัญญูและตัวสติอันนี้คือหลักการเราก็มาเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกเป็นสติตัวก็เป็นตัวรู้สึกเป็นนามตัวเป็นรูปรู้สึกตัวคือรูปกับนามรูปกับนามให้รู้สอง ให้รู้รูปนามในฐานะเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่รู้รูปนามในฐานะเป็นสร้างเป็นรูปเป็นจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่รู้สึกตัวแบบนั้นแต่รู้สึกตัวในฐานะเป็นรูปและนามในส่วนที่เป็นนามคือสัมปชัญญะและสติือความรู้สึกส่วนตัวในฐานะเป็นเวทนาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแน่น ตัวที่เรามีอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเราอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นรูปประทาดไม่ชุไม่ใช่รูปนามรูปประทาดคือตัวเอาเยาว่าทุกส่วน32สองธาตุสอาการ32เนะะี่ยเขาเรียกรูปประทาดในส่วนรูปนามก็คือตัวความรู้สึกที่เกิดจากธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งจึงเจ็บปวดอ่า หนาวร้อนอะไรพวกนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่ตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งถึงเป็นความรู้สึกที่ตัวแต่ความรู้สึกที่ใจเป็นความรู้ที่เรียกว่าสติสมัมปชัญญะคือรู้ทั่วเช่นว่าอาการของเวทนาจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเนี่ยเป็นความรู้สึกกายแล้วเราเข้าไปรู้ว่า ตัวเยื่อล้อ่นแข็งแข็งตึงเนี่ยมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลักษณะเห็นอาการเที่ยงหรือไม่เที่ยงไปสุขเป็นทุกข์ของความรู้สึกทางกายนี่เองเราเรียกว่าเป็นนามนี่เป็นเวทนาเห็นความเป็นในนี้จังทุกข์ขังหน้าตาของเวทนาเยื่อล้อ่นแข็งแข็งตึงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามันเป็นตัวตรักษณ์ แล้วก็ไปเอาความรู้สึกที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของมันตลอดเวลาเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันเย็นหนาวบางังเย็นมากปวดมากปวดน้อยปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวพวกนี้เป็นลักษณะที่เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์แล้วเราก็ตั้งสติตั้งความรู้สึกที่เราตั้งมาเนี่ย โดยการสร้างจังหวะบั่งการตามตามรู้การเคลื่อนไหวของกายการตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยไปเรื่อยๆความรู้สึกกายก็จะเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้สึกใจความรู้สึกตัวก็ไปเป็นความรู้สึกใจความรู้สึกตัวมันมีทั้งรูปทั้งนามอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราไปเป็นความรู้สึกใจมันเป็นแต่นามล้วนๆคือสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเป็นรู้ความรู้สึกตัว มันเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจแต่พอความรู้สึกกายเป็นเป็นเป็นตัวรูปนามความรู้สึกกายความรู้สึกตัวทำไมถึงไม่เรียกว่าความรู้สึกกายก็เพราะว่ากายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวเพราะตัวนี่มันหมายถึงทั้งหกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าพอตัวคำนั้นหมายความรวมไว้ทั้งหแต่ความรู้สึกกายมันมีส่วนเดียวคือกายเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหส่วน อันนี้คือในวิธีการโคชเชอร์คือให้เน้นดูสองอย่างสามอย่างเนี่ยให้ชัดก่อนมีความรู้สึกกายความรู้สึกใจเรียกว่าความรู้สึกตัวทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเลา้าพูดเนี่ยจะ ต, ต, ตั้งใจนิดฮะว่าเพิอนิดหนึงไปแล้วยาวเลยมันตั้งใจว่าความรู้สึกตัวที่เราสัมผัสได้เป็น ตัวสบายไม่สบายเนี่ยเมื่อเราไปรู้สึกกับมันจริงๆแล้วมันจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวนามรูปนี่สับใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเรารู้รูปนามเท่านั้นมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนามรูปแต่ถ้าเราจับความรู้สึกตัวไม่ชัดไม่ทันไอ้ตัวรูปนามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นนามรูป เพราะว่ามันไหลน้ำมันก็จะไปปนกับน้ำหรือน้ำก็จะไปปนกับ น, น้ำมันเพราะมันซึมหากันกายก็จะไปปนกับใจใจก็ไปปนกับกายมันซึมหากันการพี่ไปปนกันเขาเรียกว่าน้ำรูปเคยดีินไหมรู้รูปน้ำรูนร้น้ำรูปท่านว่ารู้รูปนามเบื้องต้นนะ่ให้รู้รูปน้ำน้ำรูปให้ดีคือหมายความให้รู้สึกกายก็รู้จากความคิด ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำใช่ป่ะดูกายให้ดูจิตไปด้วยดูจิตให้ดูความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูทั้งสองอย่างให้ชัดๆไอ้กายกับใจมันรั่วหะกันมันเป็นความรู้ที่เป็นความคิดหละทีเนี้ยเพราะว่าอามารูปหมายถึงว่ามันเป็นสร้างภาพความคิดขึ้นมาพับเหมือนกับเราเวลาเขาฉายหนังมันจะมีภาพนิ่งขึ้นหน้าจอก่อนใช่ไม ภาพนิ่งขึ้นหน้าจอเขาเราียกภาพที่จะฉายต่อไปอเป็นภาพนิ่งขึ้นหน้าจอหรือภาพสไลด์ขึ้นหน้าจ อ, อพอเครื่องเดินปับ๊บภาพที่นิ่ๆมันจะกลายเป็นอาการขึ้นมาดังดีเลยเป็นเคลื่อนเป็นไหวเป็นเดินเป็นอะไรขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกมันก็นิ่งเป็นภาพนิ่งนี่แหละไอ้ดูที่ภาพนิ่งๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่านามารุอ่ะพอนา ม, มารูุพอเป็นนา ม, มารุปั๊บ มันก็ให้เกิดสังขารวิญญาณภาพนั้นเริ่มเคลื่อนละทีเนี้ยเคลื่อนนูน่นเคลื่อนนี้ไปเรื่อยๆนี่ท่านให้ไปดูนั้นแต่ว่าถ้านน่าไม่ได้ไปดูลำดับลึกละเอียดขนาดนั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของปริยัติแต่ในเรื่องของปฏิบัติดูความรู้สึกกายรู้สึกใจให้ชัดๆไว้ว่ากายก็คือรู้สึกที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงใจก็รู้สึกสบายชื่อๆเฉยๆความรู้สึกใจเป็นความรู้สึกซื่อยังไม่มีอะไร เหมือนแสงก็คือแสงนะจอภาพก็คือจอภาพยังไม่มีภาพอะไรเป็นแสงสว่าง ข, า, ขาวๆเฉยๆแต่พอฉายฟิล์มมันเดินปับ๊บภาพนิ่งเกิดนั่นหมายความว่ามีตัวฟิล์มตรงนั้นแหละเป็นตัวบันทึกละตรงนี้เขาเรียกว่าตัวอวิชาตัญหาเริ่มปรากฏละพอมันเคลื่อมนมาแล้วไปตัญหาถ้าเผอภาพมันปรากฏปกฏั๊บมันเป็นอวิชา นาำลูกเกิดพอไอ้นำลูปโดยมันก็ทําหน้าที่ไปเรื่อยเป็นตัวสังขารเป็นวิญญาณเป็นอยนายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนานะรู้สึกว่านั่งหนังมันจะฉายเรื่องอะไรพราะมีภาพขึ้นหนังจะฉายเรื่องในหลวงนะภาพในหลวงขึ้นวันนี้เป็นวันของในหลวงใช่ไหมวันพ่อแล้วภาพในหลวงขึ้นตเต็มจอ เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งครับเป็นกิจกรรมราชการานิยกิจแียงต่างก็มาก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วทีนี้เมื่อได้สร้างเวทนาตันหาคนที่อชอบรักใครบูชาเทิดทูนก็จะรู้สึกชอบไปเลยคนที่ไม่จุงรักพักดีไม่ชอบไม่บูชาก็จะไม่ชอ บ, ไ ม, ชอบไม่อยากดูเลยเห็นไหมมันก็เดือดตัวตานหาเกิดแล้วไอ้คนที่ชอบเ็ยะเป็นกามวัฏฐานหาคนที่ไม่ชอบก็จะมิผวะวัฏาหาใช่ไหม เราก็จะดูด้วยของความรู้สึกนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราเป็นเชิดชูบูชาที่เรารู้กันมาแล้วก็ชอบเออท่านเป็นคนเป็นเป็นคนมีค่าของแผ่นดินเป็นพลังของเป็นดีเชิดชูบูชารักษาแผ่นดินสืบต่อเนื่องกันมาแต่เราก็รู้ปราบลืมแล้วก็เชิดชูบูชาอันนี้คนที่เกิดความชอบนะถ้าใครมาขัดเออไม่ยืนยันนี้ไม่เข้าท่าดมป๊อปขัดขึ้นมาเลยไอ้ความที่เราชอบวิธีเกิดขุนขึ้นมาทันทีไหม กรารมรดาหาก็เกิดวิภาวะด่าหาขึ้นมา่ทีนะดังนั้นอันนี้คือสาเหตุของทุกไปจากตรงนั้นไปจากตรงไปจากความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไอ้ตรงที่มันเป็นเวทนาอยู่เนี่ยถ้าเป็นเวทนาทางกายไม่มปัญหานะเขารู้สึกเฉยๆดูแล้วก็รู้สึกสักแต่ว่าเป็นรู้สึกรูปเท่านั้นเองไม่ได้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะไม่มีปัญหา แต่เมื่อไรความรู้สึกชอบแล้ไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องปับ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดละวันนี้เรานั่งรู้สึกสบายเราชอบใช่ไหมแต่หาเกิดหรือยังแต่เกิดแล้วคือชอบอ่ะชอบเป็นอะไรจากความรู้สึกที่ชอบคือมาจากความรู้สึกนั่งแล้วสบายแล้วเราไปเพลินในความสบายนั้นอยากย้ความสบายต่อเนื่องไปความรู้สึกชอบ ก็เป็นโสมนัสโสมนัสยินดียินดีในการนั่งแล้วมันนิ่งมันเงียบมันสงบก็ยินดีแล้วก็ไม่อยากจะให้มันหายไปก็เป็นอภิชาพยายามไม่ใช่อวิชานะอภิชาคือเพ่งหารักษาให้มันยาวๆเพอะรักษาเพ่งหา ย, ายาวก็เพลินจะเป็นนันทินันท์เพลินในนั่งอย่างนั้นก็ไม่อยากจะลุกไม่อยากจะขยับแล้วนั่งแบบนี้มันเพลินดีนะ นันทีอ่าพอนันทีก็ยังไม่มีสติรับรู้อีกกลายเป็นราคะเรื่องนั้นที่ราคะคือชอบอ่ะะชอบแบบนี้ชอบท่าเ น, นี้ยชอบที่นั่งแบบนี้ชอบเสื้อแบบนี้ชอบอาหารแบบนี้ชอบบุคคลแบบนี้ น, ะนันทีราคะแล้วก็กามาเฉีนท่าก็เริ่มต้นเลยทีนี้ไปเรื่อยเรื่อ ย, อยไปอันนี้ตามหลักของมันแต่ในแง่วิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ย เราก็จะไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นมันจะเติบโตอะไรเป็นอย่งนไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปสนใจสนใจให้รู้สึกกับการเคลื่อนไห ว, วนะั้นแล้วถ้าหากว่ารู้ว่าในร่างกายขณะเคลื่อนไหวนะั้นมันจะมีเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งแข่งถึงเจ็บปวดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปปรับเรื่อยๆปรับให้มันสบายไม่ต้องไปเพลินถ้านั่งในสณะที่เพลินทางสบายแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนถ้่เพลินไม่สบายก็ อไม่ชอบนะอยากจะเปลี่ยนอยากจะลุกอยากจะนี้อยากจะทําอะไรสักอย่างมันก็จะเข้าไปสู่ในนามารูปและ้ะเถอะเข้าไปนามรูปละคือมันมีความชอบไม่ชอบขึ้นนามรูปปรากฏนะหรือตอนแรกมีความรู้สึกว่าเ อ, อนั่งทน่านนี้นะสบายภาพสบายเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมสบายกายก็ อ, อยากจะนั่งไปนานๆชอบอยากจะนั่งแบบนี้ เวทนากลายเป็นตันหาละไม่ชอบนั่งแบบนี้ไม่ชอบเลยปวดเมื่อยขัดล้งแขนนั่งถ้าไหนก็ไม่สงบไม่สบายเป็นไม่ชอบเป็นวิพภะตันหาละเป็นขยาปาท่เนไเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยให้ให้ดูตัวนี้ให้ชัดก่อนเบื้องต้นนี้ยังไม่ต้องไปไหนหดูตัวความรู้สึกความรู้สึกกายออกมาเป็นเวทนาต่างๆทันะ้งหัวจุดเท้านะคือมันเป็นเพียงรูปนะรูปคือ ตัวของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ของมันได้่องาำนาจของการเปลี่ยนแปลงกฎนี่ใช่ไมรก็รู้มันใช่แค่นั้นเองรู้เสร็จแล้วเราก็คอยแล้มัดระวังว่าไม่ให้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเหล่านี้สบายไม่สบายนั้นเนี่ยเข้าไปสือนจิตให้รู้ก็ทนได้ก็ดูมันไปทนไม่ได้ก็ปรับมันออกไปทนได้ก็ดูมันไปทนไม่ได้ก็ปรับมันออกไปทําหน้าที่นี้ไปเรื่อยๆอยู่ที่กาย แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจที่จะปรับที่จะแก้จะทนจะใส่ใจกับกายชัดๆเนี่ยมันเผลอนิดเดียวมันเริ่มไปเป็นพอใจไม่พอใจละนี่เพราะฉะนั้นตัวเผลหรือตัวหลงเนี่ยจึงเป็นเหตุสําคัญเผลอสติเราใช่กำว่าเผลอสติหรือเพลินก่อนที่มันจะเผลอเนี่ยมันจะเพลินเสก่อนใช่ไหมตอนที่มันจะจะเผลอมันเพลินเพราะมันเพลินแล้วมันก็จะไปห้องมันเรื่อยๆจากเพลินมากเพลิน แล้วก็ไปคิดไปคิดไปชอบไปติดไปต่างๆตามลําดับที่เราว่ า, าเมื่อวานจากตัวนันทิเป็นนันทิราคะเป็นการมะฉันท่าเป็นพยาปาท่าเป็นการม ะ, ะเป็นโลภะเป็นการมุปปาทานการมะเศไปเรื่อยๆเลยทีเนี้ยออกแตกงอกออ ก, ออ ก, ออกลากไปเรื่อยๆแต่พอมาหลักสูตรสั้นๆในวิธีการหลวงพ่เทนคือไม่ต้องไปสนใจเหล่านั้นมาสนใจความรู้สึกตัวช ắt, ัดๆปรับแก้ไปเรื่อยๆ ไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งนะ <c oughs> มาไปเพ่งไปตั้งใจที่ใจมันรู้มันรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสังเกตุความเป็นไปของภายในรูปมันมีการเปลี่ยนแปลงแปรปวนอยู่ตลอดเวลาออกมาเป็นทุกข์เป็นไม่สบายทางกาย <c oughs> หน้าที่ของเราก็ดูแลเอาใจใส่ปรับแก้ดูแลเอาใจใส่ปรับแก้รักษาสภาพจิตให้รู้มันก็ทําหน้าที่จิตที่ มันก็จะมาทําหน้าที่รู้ร่วมกันหมดเลยเป็นสติสมัยยานะฮะโดยการที่เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าไปขนขวายเฝ้าดูแก้ไขปรับแก้อณิจังทุกขงังทตาปรากฏในกายเนี่ยที่ออกมาเป็นเวทนาต่างๆปรับแก้มันออกไปจิตมันก็นี่มันก็สบายเบ า, บาโปรง่งร่างกายก็ไม่รู้สึกไม่หนักไม่หนื่นไม่เหนียวไม่หนกักนวงทวงท่าอะไรรู้สึกสบายนั่นคือการทํางานของตัว จิตแทนที่จะไปเป็นตัวนามรูปมันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวสติสัมปชัญญะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนามรูปก็เกิดไม่ได้ถ้าเราเผลอไปคิดไปเป็นนามรูปปั๊บสติสัมปชัญญะก็อ่อนหรือขาดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้นี้ถ้าสมมุติว่าตัวสติสัมปชัญญะนี้ได้รับการประคับปรองไปนานเข้าหนึง่งเขาจะเกิดเป็นอะไรนะจะเกิดเป็น ตัวเพียนขึ้นมาเพียนเพื่อที่จะละในสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายเช่นเยน็นแล้วอ่อนแข็งเค ง, งตึงเนี่ยถ้ามันมีอยู่พอทนได้ก็ดูไปเป็นสนามทำงานของสติสัมยู้สึกตัวแต่ถ้ารู้สึกมันจำถ้าจะแก่จะแข็งจะแรงจะหนักจะหน่วง จ, จะถ่วงจะถ้าปับ๊บเข้าไปสังเกตให้ชัดๆแล้วขยับปรับออกไประวังก็ทว่าวิริยะ นั้นวิริยะในสัมพุทธชงจึงเป็นสัมมา ว, ย ว, ว, วายะระวังในส่วนที่มันการแปลปูนเปลี่ยนแปลงมาให้เกินภาวะที่เราจะทนได้เรียกว่าสังบอนปทานใช่ไหมมันก็สู่หลักนั้นนั้นเลยแล้วในขณะเดียวกันอันไหนที่มันเริ่มแปลปูนไปทางที่ไม่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกายก็ค่อยปรับออกไปอย่างแล้วมันระวังค่อยตัดออกไปค่อยแก้ไขออกไปอย่างเรา อย่างรู้สึกตัวเรียกว่าประหารและประทานคือประหารมันออกไปนะยังไปแช่อยู่ตรงนั้นความสบายเกินไปก็ประหารออกไปความไม่สบายเกินไปก็ประหารมันออกไปเรียกว่าประหารและประทานนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เราคอยระมัดระวังแล้วแก้อย่างเดียวแต่ตามรู้ในการปรับแก้ด้วยตามรู้ในการเพิ่มขึ้นหรือตั้งอยู่ดับไปของความ สบายหรือไม่สบายด้วยตามการตามรู้การเคลื่อนไหวการไปการเกิดของมันเนี่ยอย่างชัดๆตรงนี้เขาเรียกว่าภาวนาประทานคือทําให้ตัวรู้เนี่ยมันงอกงามให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆเรียกวภาวนาประทานเมื่อเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเราปรับเราแก้สบายตรงไห น, นมันคัดมันเมื่ยมันแยกตัวไห น, นมันสบายเกินไปปรับออกตรวไหนไม่สบายเกินไปปรับออกและปรับอย่างรู้สึกตัว ลักษณะนี้เขาเรียกว่าดํารงความรู้สึกตัวให้มันชัดเจมแจ้งไว้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นอนุรักษนาประธานนะนะองค์ของสัมมาวายมะตฉะนั้นตัวสติที่เราเข้าไปทํางานเห็นระหวางตัวรู้สึกภายในกายที่เรียกว่าเวทนาตัวรู้สึกภายในใจที่เรียกว่าสติสมิยะ มันทํางานเปลี่ยนกันไปอย่างไรการรู้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชัดๆเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะฉะนั้นธรรมวิจยะสำโพชงม่ไหมายถึงว่าเราควจะต้องไปนึกคิดพิจารณาเอ า, เอาหัวข้อนั้นมาวิจัยเอาหัวข้อนำม า, าวิจัยตามาวิจัยแบบที่เขาทาไม่ใช่นะแต่ธรรมวิจยะในแง่ของเป็นหลักของปรมัตรเนี่ยมันหมายถึงการเข้าไปดูไปเห็นการทํางานของ กายของใจที่เขา đ ัง g ทำงานกันอยู่อย่างไรเข้าใจได้นะเขาทำงานกันอยู่อย่างไรเพราะนั้นเราจึงไม่เผลอเลยในการที่จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้นตัวที่เรายกมือสร้างจังหวะหรือตามรู้การเคลื่อนไหวอย่างมีตัวรู้สึกตัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะ เป็นตัวประคับประคององค์ธรรมเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้มันเห็นชัดๆถ้าเป็นหลักของวัตถุก็คือเราจะต้องมีแสงสว่างชัดๆในการนักเวียศาสตร์ที่เข้าห้องแบอบใช่ไหมเขาก็จะต้องมีแสงสว่างชัดเป็นพิเศษในการที่จะแยกแยกคัดอะไรต่างๆในห้องแอบของเขาเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ เห็นชัดว่าเอออันนี้เป็นเชื้ออันนี้อันนี้เป็นเชื้ออันนี้อันนี้เป็นธาตุอันนี้เป็นธาตุอันนี้ลักษณะวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องเข้าห้องแล้วิจัยแยกแยะธาตุต่างๆแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะธรรมวิจัยะหมายถึงสิ่งที่มันกําลังทํากันอยู่เนี่ยกายกับใจกำลังทําอะไรกันอยู่แล้วเข้าไปดูไปเห็นให้ชัดว่าเออตัวนี้นั่งแบบนี้รู้สึกสบายแบบนี้เวลาเปลี่ยนแบบนี้ความไม่สบายมันออกไปอย่างนี้เวลา นั่งอย่างนี้เป็นนานๆความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นการเข้าไปเห็นตัวนี้ชัดๆแล้วตามดูตามรู้ตามเห็นให้เกิดความปกตินะถ้ามันสบายผิดปกติมันก็ผิดละถ้าไม่สบายผิดปกติมันก็ไม่ใช่แล้วมันมันไม่ใช่แต่ปรับให้มันสบายที่ปกติที่สุดนั้นสติธรรมวิจยะสติตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นศีลธรรมวิจยะตัวนี้นก็เปลี่ยนเป็นสมาธิทันที ใช่ไหมนี่คือองค์ของสัมพุทธชงจิตเพราะฉะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะไม่ผ่านองค์ฌานทั้งฌานรูปฌานรูปฌานเลยนะเราจะไม่เน้นตรงนั้นมาผ่านเข้าสู่รัศมตรงมาสู่หลักของสัมพุทธชงเลยนะอันนี้ให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเราทําอยู่แค่เนี้ยสนามงานเบื้องต้นเนี่ยในแง่ของอารมณ์รูปนามทําอยู่แค่ดูสังเกตดูกายสังเกตดูความรู้สึกตัวทั้งสองอย่างทําไปทํามาอยู่แค่เนี้ย เพราะนั้นเราทำไมต้องสร้างจังหวะมาก ม, มากเดินจบกูมากๆเพื่อที่จะไปเห็นอาการทำงานของไตรลักษณ์ในรูปแบบต่างๆที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยให้มันชัดให้มันเห็นให้ชัดเพราะมันเป็นความรู้ที่ใหม่ทำไมเด็กทั้งป .1 ทั้งป .4 แค่อ่านออกเขียนได้ต้องเรียนกันทั้งสาสี่ปีใช่ไหมแค่เขียนให้ชัดสมสระให้ชัดอ่านว่าอย่างไรแค่นั้นแหละ โปรซีะขอให้อ่านออกเขียนได้แต่เดี๋ยวนี้เจ้าโปีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูไม่เอาไหนไม่ใช่เด็กหัวไม่ดีนะแต่ครูไม่เอาไหนบางทีบางคนมาปฏิบัติสีห้ปียังไม่รู้เรื่องรูปนามเลยเพราะพระไม่เอาไหนนะไม่เจตีโยมะโง่นะแต่พระสอนมาได้เรื่องเองนะนั่นเห็นไหมอันนี้มันก็สัมพันธ์กันแล้วไส่อย่างเงี้ยดังนั้นในวิธีการโน้เช้นจะตอบย้าเรื่องที่มันมันจริงเนี่ย ให้ S <S <an> ชัดๆบ่อยๆทําย้ำมันอยู่เนี้ยซ้ําอยู่ตรงนั้นแหละบางทีจบปยสีสอบตกอีกใช่ไหมก็มาเริ่มต้นใหม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บางทีเขียนได้อ่านไม่รู้เรื่องอ่านรู้เรื่องเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าสอบตกก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เราก็เหมือนกันเขาอ่านกายออกไหมว่ากายเป็นไงถ้าอ่านกายยังเป็นกูอยู่นะแสะดง ว, ว่าสอนผิดแล้วกายยังเป็นกูอยู่นะรู้จะกูไหม บอกไปว่าอันนี้แหละรูปยังเป็นเราอยู่เนี่ยแสดงว่าสอบตกอ่านนี้ไม่ออกเห็นรูปเป็นเราเห็นเราเป็นรูปแต่พระุทธเจ้าบอกเห็นรูปเห็นกายนี้เป็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่านเท่าไหร่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้มันเป็นกูอยู่ดีๆยังเป็นเราอยู่ดียังเป็นฉันยังนี้เป็นผมอยู่ออ่แต่ในสมมติเนี่ยที่เราต้องใช้เราใช้เขาใช้ ท่านใช้ผมเนี่ยเป็นเรื่องสมมติให้รู้ว่าเออนี่สมมุติใช้เฉพาะการนะไปพบกันเจอกันเนี่ยก็ก็ใช้สมมุติเพราะอะไรเพราะเปมีสื่อใช่ไหมแต่ถ้าอยู่คนเราไม่ได้อยู่ก็ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมบางครั้งมันอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวไม่ได้คูดไม่ได้คุยกับใครตรงนั้นแ่ละเราต้องอยู่กับปรมัตดอยู่คนเดียวก็ให้อยู่ปรมัดถ้าอยู่หลายคนให้ใช้ทั้งสมมติ ท, ทั้งปรมัตดนะอันนี้ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักอย่างเนี้ยมันก็ยังทุกอยู่เราต้องอ่านให้ออกไอการที่จะอ่านให้ออกเขาตองอ่านซ้ําๆใช่ไหมเอามาไปเคยไปเรียนภาษาจีนเนี่ยแต่เขาเนี่ยเขาให้เขียนตัวเดียวทั้งวันให้เขียนตัวเดียวน่แหละสมุดหมุดเป็นเล่มก็ให้เขียนตัวเดียวๆว่าอะไรกันทั้งหนาถ้าเราเบื่อเราก็ไม่อยากเขียนไห้เขียนอะไรเน้่หนาเพื่ออะไรเพื่อให้มันจําได้ขึ้นตาขึ้นใจใช่ไหมถ้าคาถาท่านก็ เป็นคาถาที่เราท่องกันคาถาสั้นๆใช่ไหมแต่ท่องเป็นร้อยหนทนันหนเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าไปในในความทรงจำจนไม่ลืมอ่ะในวิธีการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้านายกมือสร้างจังหวะเดินชิมผมทำอย่างนั้นเพื่อให้ความรู้สึกระหว่างกายกับใจที่มันอยู่นั้นให้มันฝังลงไปในสํานึกให้เป็นเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นเป็นปัญญาถ้าับใด้ถ้ายังจําไม่ได้นึกไม่ทันอยู่นะั้นมันก็เป็นสัญญาอยู่ แต่เมื่อไรมันนึกขึ้นได้ใช้เป็นปับ๊บมันเป็นปัญญาถ้าเป็นป .4 ก็เลยสอผ่านนะ้อ่ามันอ่านออกเขียนได้อ่านออกขณะที่เราทํานี่นะมันเป็นลูกลูกมันจะต้องเป็นอะไรเป็นทุกข์แปลโผนตลอดเวลาไม่ใช่ลูกเป็นเราลูกเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยความแปลโวนเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราจะต้องมาปรับเอาทุกข์ออกอย่างรู้สึกตัวให้มันทุกข์แค่กายเนี่ยปรับทุกข์แค่กายออกอย่างรู้สึกตัว แต่ให้เรารู้ว่าเมื่อไรเราปรับเอาความไม่สบายจากกายมั่เอเน้ไอ้ความไม่สบายทางกายมันเปไงไหลไปสู่อะไรไปสู่ทางจิตอะใช่ไหมไหลไปสู่จิตพอสู่ทางจิตปั๊บเป็นสมุทยัยเป็นเรื่องอะไรยากแล้วทีเนี้ยเพราะว่าถ้าตัวสบายไม่สบายนี่ไหลไปสู่จิตมันแก้ไขา ย, ยากเอาออกยากเราปวดนั่งปวดขาเนะแค่พิกมันก็หายแล้วใช่ไหมใครมาว่าโยงอ่ะทำไมนั่งอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยคุณไม่เอาไหนเลยเนี่ยเป็นไงเข้าไปสู่จิตแล้วใช่ไหม มึงว่ากูทําไมก็เรื่องของเขากมันยุ่งกับกูมันมันเกิดละเกิดปฏิฆาอารมณ์เอาออกยากไหมยากอลยบางทีมึงถามว่าหาคุณไมกูต้องตีคืนอะไแบบนี้เป็นเรื่องแหละแค่แค่ไม่สบายกายแค่พลิกขาลมันหายแล้วใช่ไหมแต่ไม่สบายใจมันพลิกแล้วพลิกอีกนอนมือไก่หน้าผากมันยังไม่ออกเลยอะแล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันมีเยอะไหมชิบิจาวันเขาเยอะมากมากเลยอืมเนี่ย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งอยู่ดับไปของกายเป็นเป็นสิ่งที่มีโดยธรรมชาติผู้ทีเจ้าไม่ต้องสอนก็ได้แต่พูทธ่เจ้าสอนว่สิ่งที่ความไม่สบายไม่สบายของกายที่มันรั่วไหลสู่จิตเนี่ยคุณต้องระวังอย่าให้มันเกิดด้วยว่าสังวชประทานใช่ไหมคุณต้องระวังสองถ้ามันเราสติตไม่ได้สมบูรณ์ร้อเซ็นหมือนพระอรหันต์ใช่ไหมระวังเท่าไหร่มันก็เผลอคิดโยนได้เผลอชอบไม่ชอบโยนได้ แต่รู้ว่ามันชอบหรือไม่ชอบคุณก็ อ, ออกเสีประหารนประหารอันอันที่สองเกิดแล้วแต่ถ้าไม่เจริญสติสัญญาเนี่ยคุณจะออกได้ไหมเอาอะไรไปออกอะ่ะมันไม่ได้ออกไม่ได้เพราะนั่นก็ต้องทําเยอะแยะเลยเนี่ยไอ้ทำสติสัญญาเยอะแยะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นดึงไอ้ตัวชอบไม่ชอบออกจากใจให้ได้ที่เวลาสวดใช่ไหมอาตาปีสติมาสัมปะชาโนวินา ย, ยโลเกอภิชาโทมนาสั่งอภิชาคือความชอบโทมนัสคือความไม่ชอบ วินัยยะโลเกว่าเอาออกจากใจให้ได้วินัยยะวินัยยะไปว่าเอาออกนะจะคนไม่มีวินัยคือหมายความมินิใสเสียแล้วไม่เอาออกถ้าคนเอาออกได้เขาเรียกคนมีวินัยวินัยไปเอาสิ่งที่ไม่ดี อ, ออกนะคือมีและเบียวินัยด้วยสิคือเอาของที่ไม่ดี อ, ออกไปสะเราเหมือนกันในเมื่อเรา mm hmm. ไม่สามารถควบคุมไอ้ตัวพอใจไม่พอใจให้จํากัดอยู่เฉพาะกายได้มันไปไหลไปชูจินเนี่ยคุณต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกเป็นไง มันก็แตกรากไปเรื่อยๆแตก ง, งอกออกราบไปเรื่อยๆนี่คือการความหมายว่าทำไมต้องรู้รูปรู้นามถ้าดาบใดยังสกัดกั้นความสบายไม่สบายของจิตไปสู่กายสู่ใจไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอารมณ์รูปนามของคุณยังไม่เติบโตเพื่อออกได้บ้างนิดๆหน่อยๆถ้าสามารถเราออกได้มากขึ้นย5สปเซนะสมมติว่าไอ้ความรั่วไหลของความไม่สบาย กายเนี่ยเข้าสู่จิตร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคุณสามารถออกได้ถึงยี่บห้าเปอร์เซ็นแต่ละครั้งนะได้ดวงตาเห็นธรรมเหรอเป็นพระโสดาบันแค่ยิห้าเปอร์เซ็นเองเนะแต่นี้โอ้หลเข้าทั้งวันไม่เคยเอาออกเลยกู <c oughs> ก็ลุยไปทําเรื่องของมันเดี๋ยวชอบอาลงแปรปรนเปลี่ยนแปลงมันไปจากความแปลปรปนเปลี่ยนแปลงของร่างกายใช่ไหมถ้าร่างกายร่างกายของเราแปรปรนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่บางทีเท่านั้นนะ อันนี้ที่ที่เรานั่งมาชมั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันไม่แปลปวนไปอีกครั้งนะตามรู้ทันไหมพลิกเปลี่ยนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวไปกี่ครั้งแล้วแล้วได้ตามรู้มันลงไหมไม่เผลอไปเรื่อยๆยกมือก็ยกไปไงั้นเลยเม่อไดเอามาดาดแปลงให้มันตามรู้ไอ้สิ่งที่มันกําลังเกิดหรอกมันน่าเจ็บใจจริงๆเรื่องเนี้ดังนั้นเองเราต้องทอําอ่ะไม่มีทางอื่นเลยพูดทธเจ้าบอกเอกายโนโมัคโคมีทางเดียวเท่านี้แหละที่จะทําได้ไม่มีทางอื่น นิพุเจ้าตัดยืนยันนะเอกายณุมภูสตานังวิสุทธิยาโสกับปริเทวนังสมติกมายะนี่ตัดไว้ทุกขโทมนสัสสารังอถังขมายะญาญย า, ยาสัตถิกมายะนิพานาชจิกนัทธายะตัดไว้อันนี้สงไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้หนึ่งชำละอันนี้จังทุกขังน่าต่ อ, อกจากกายได้ชําระความพอใจไม่พอใจจากจิตได้อันที่หนึ่งเลยนะอันนี้สงมานะ ถ้าจะเดินแบบนี้สองความวิตกกังวลหงุนกิ่ดวุ่นวายเนี่ยข้ามมันไปได้เลยแค่มีสตินะมันมีอยู่ใละข้ามมันได้เหมือนว่าเมื่อวันก่อนะคุณเดินไปตามทางมีหลุมมีร่องมีหินมีโขดนคุณข้ามไปได้เลยคุณไม่จะลดนไปโดนคุณจะไม่ข้องมันลม้มคุณจะไม่ตกไปหลุมคุณข้ามไปได้อ่อันที่สามนะถ้ามีอะไรมาขวางทางกิ่งไม้ใบไ ม, ไม้อะไรมาขวางทางคุณก็ออกได้เลย ถ้าคุณมีสติอันที่สี่มันมีการปรับแก้การเดินให้สบายอันที่ห้าไปสู่เป้าหมายอย่างสงบและปลอดภัยห้าประการดังนั้นตัวนี้เราก็ตรงมาตอกย้ำตอกซ้ำย้ำเตือนการเคลื่อนการไหวเนี่ยให้มีประสิทธิภาพด้วยการใส่สัมปชานสูสติมาชชยสติสัญญะลงไปแทนตัวอะไร แทนตัวนามรูปแทนตัวคิดลงไปถ้าเมื่อไหร่มันคิดปับ๊บหมายค่ามสติมญยาเป็นไงไม่เต็มแล้วใช่ไหมถ้าเมื่อไรเรารู้เท่าทันมากขึ้นสติมิยาก็จะเพิ่มความเข้มแข็งเพิ่มความสว่างมากขึ้นอยู่ขุ่นก็นเงากว่แสงเนี่ยถ้าหากว่าตัวความคิดเข้ามาก็หมายความเงาเริ่มปรากฏแล้วความคิดเหมือนวัตถุ ต, ตัวเนี้ยแสงอยู่ทางนี้เงาอยู่ทางนี้ใช่ไหมวิธีการเรียกเไงที่จะไม่ให้มี เงาอ่ะก็วัตถุตัวนี้ออกเสียคือเอานามาลูกความคิดตัวนี้ออกเสียไอ้ความรู้สึกตัวสติสัญญอยู่ ด, ด้านนี้เหมือนแสงใช่ไหมมันก็ทะลุทางนี้ไม่มีเงาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความนามาลูกเหมือนเงาสติสัญญาเหมือนแสงอ่าแล้วตัววัตถุเงาก็คือตัวคิดตัวนามะลูกที่ปรากฏเป็นความคิดนี่คือนามาลูกอันนี้สติสัญญะ อั น, นเงาที่ปรากฏเป็นความคิดออกไปเรื่อยๆถ้าหากว่ายิ่งาบางมากเท่าไหร่หนานแน่นมากเท่าไหรไ่ไอ้เงานี้มืดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้าแสงน้อยลงเท่าไหร่ไอ้เงาก็ยิ่งมืดขึ้นเรื่อยๆในกรณีแสงมันเยอะใช่ไหมเป็นร้อยร้ยดวงเหรใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เงามันก็ไม่มืดเลยถ้าสติสัมยะเยอะกว่าเรื่องที่คิดเข้าไปน้อยมันก็ยังสว่างอยู่มันก็ยังสว่าง แต่ในกรณีที่สติมีเยอะมันน้อยไฟดวงเดียวแต่อวัตถุที่มาบาังในศาลาท้างหลังเนี่ยอีกได้นหนึ่งไปไงไปดูหลังศาลาด้า น, นั่นมืดตึ๊บเลยนะเออตรงนี้มันบงังแค่นี้นิดหน่อยมันก็ไม่มดืดอ่ะเพราะนั้นอย่างไรให้สติถ้าจะมีความคิดคุณใช้ความคิดได้แต่ให้สติมีเยอะมากกว่านะไม่ใช่ว่าคุณจะคิดอะไรไม่ได้ไม่ใช่เพราะความคิดอันนี้เรื่องไปเรื่องของนามรูปทันนะ เป็นเรื่องของความคิดแล้วนะรูปนามผ่านไปก่อนเดี๋ยวเวลาจะไม่พอพอเป็นเรื่องของความคิดหรือนา ม, มารูปเนี่ยมันจะมีสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าธรรมารมเขาว่าธรรมารมณ์หมายถึงว่าตาเห็นนรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรู้เนี่ยมันผ่านเข้ามาตลอดเวลาในช่วงที่ตื่นใช่ไหม ตาเห็นหูได้ยินไม่ให้เราคิดได้ไงมันก็ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรอยงั้นเราจะเอาตัวรอดได้ไงลักษณะรู้โดยสัญชาตญาณผ่านเข้ามาในยตนะทั้งหแล้วเกิดเป็นความคิดรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านไม่มีมันไม่เกี่ยวข้องมันไม่มีปัญหาอะไรรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปนล้วเราดูทุกอย่างเห็นหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟิกเราไม่ได้กําหนดตายตัวลงไปว่าจะคิดเรื่องใดใช่ไหมดูก็ผ่านไปเฉย ลักษณะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ใจไม่ไปเกี่ยวข้องเดือดึงเมื่อคิดเนี่ยมันเป็นตัวนามธรรมารมณ์ลักษณะนี้ไม่เป็นนามรูปลักษณะนี้ไม่เป็นนามรูปเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมลักษณะที่หนึ่งมีอยู่ทุกคนลักษณะที่สองอ๋อรู้สึกพูดไปอยวน้ำน้ำมาให้หน่อยสิ มันไ ม, ไม่ไม่ใช่ตัวอย่างอย่าไปลุกไปเอานะ้ำโอ้สมจริงมากเลยยกตัวอย่างที่สมจริงมากเลยนะอรู้สึกพูดไปเ ย, ยอะๆเขาแห้งใช่ไหมาขอน้ำํำลักษณะที่ต้องการเพราะความต้องการของกายแล้วเรียกหาเนี่ยลักษณะนี้เป็นสติปัญญาไม่ได้เป็นความคิดเพราะมันสอดคล้องกับความเป็นจริงความคิดใดที่สอดคล้องกับความจริงใช้ไปความคิดนั้นเป็นสติปัญญา ใช่ไหมนามารูปตัวนี้เปลี่ยนเป็นสติปัญญาเพราะนำมารูปมันเพิ่งเป็นภาพอ่ะปรากฏบนจอมันยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวถูกก็เคลื่อนไหวผิดก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มุฟไม่ได้ฉายอะใช่ไหมมันยังได้เป็นมูวี่เลยอะมันยังเป็นตัวอ่าพิเชอร์อยู่เลยว่างั้นเถอะเสร็จแล้วอันนี้ถ้าเป็นหัวหน้าก็ดีนะทํำนี้ไม่สวยเลยนะเออถ้าหากมันจะแกะนี่นะความคิดลักษณะเนี่ย เป็นอะไรเป็นสังขารไม่ได้ดูมันเฉยเฉยอ่ะดูมันเป็นหัวหน้าไปแล้วอ่ะมันก็ปรุงแต่งหัวหน้าขึ้นในหัวใช่ไหมก็ทาสวยกว่านี้หน่อยก็ดีนะใส่ลิ้วใส่ลายเลยลักษณะนี้เป็นสังขารเนี่ยตัวที่เป็นสังขารตัวนี้คือเป็นสมุทัยละไอ้ตัวนี้มันจะคิดเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นทั้งหันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความคิดของคุณเป็นเรื่องเกินแล้วนี่เขาเรียกว่าตัวนามารูปก่อให้เกิดสังขารสังขารก่อเกิดวิญญาณ สังขารก็จเกิดนํามารูปมันจะเกิดแหละโอ้ตรงนี้ไม่เข้าท่าเลยถ้าไปนั่งในศาลาก็ดีเนาะกลางวันในร้อนเนี่ยทาไมพระนัานเอ า, เ า, ทาทรมารทรมานแบบนี้นะไม่เข้าท่าเลยคิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมความจริงความคิดลักษณะที่เป็นสังขารมันก็สัมพันธ์กับความจริงระดับหนึ่งนะสัมพันธ์กับความจริงระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่อเป็นเป็นจริงที่เราจะทําได้แต่มันคิดไปเฉยเฉยขึงคุณคิด พระก็ไม่ได้มาเปลี่ยนให้เอาแซแลนมาเพิ่มไปสามสี่ชั้นไม่ให้มันหนวไม่ให้มันนั้นหรอกก็เพียงแต่คิดแต่ทางที่ถูกก็คือรู้ว่ามันร้อนก็ ค, คือรู้ว่าร้อนไม่สบายเราไมา่ได้นั่งตรงนี้ทั้งวันวเดี๋ยวเราก็ลูกไปก็ทนเอาหน่อยถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บเป็นสติปัญญาเห็นไหมเพรา ะ, ะนั้นไอ้ตัวนามรูสพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสมุทัยก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวนิโรธก็ได้แต่ทั้งสองอย่าง ที่เราปรุงแล้วไม่ปรุงเนี่ยมันมาจากตัวธรรมารมที่เราส่วนไม่คิเรื่องธรรมานุปัสนาใช่ตัวนั้นแหละธรรมานุปัสนาถือว่ามันมีผลต่อการที่จะให้เกิดเป็นสมุทยัยหรือนิโรธถ้าเกิดเป็นสมุทยัยเราได้ขาสติมันก็จะปรุงแต่งอย่างอย่างที่ว่ามองไม้ให้เป็นหัวนาคนี่เลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมีสัมมาสติ มีสมาสติมีมีสัมปชัญญะก็รู้สักแต่ว่ารู้มันก็เป็นของมันอย่างนี้อย่าไปปรุมเพราะมันทํำไมอย่างปรุงเสียเวลาว่เปล่าก็เป็นอย่างนี้ของมันแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยในฐานะที่หลวงพ่อทําอันนี้เป็นพระอาจารย์พงโมหลวงพ่อเ อ, อันนี้ไปทำให้ผมหน่อยดิมันจะได้สวยไงเ อ, อ้งั้นผมทําได้การคุยกันอย่างนี้แล้วตกลงแล้วก็ลงมือทํามีเหตุมีผลมีหลักมีการเป็นความเป็นจริงลักษณะนี้เป็นปัญญา ไม่ใช่เป็นสังขาร น, นะเพราะมันเป็นไปได้แต่ถ้าจะมานั่งคิดโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความจริงอื่นเนี่ยมันก็เป็นสังขารเป็นสมุนไพรให้เกิดทุกข์เปลืองพื้นที่ของจิตที่เราจะมาสร้างเราก็ไอเมมโมรี่เราก็เสียไปความจิตของเราก็เสียพื้นที่ไปเพราะเอาเรื่องที่ไม่จําเป็นไปใส่เข้าไปแล้ววันนึงมีเยอะไหมเรื่องแบบเนี้ยโอ้โหมาโบราณพันลึกเลยเขาเรียกว่มามเป็น เป็นขยะเป็นจังเาว่าเป็นเป็นจังซอดเป็นจังไอเดียเป็นจังคอนเซปต์มันเป็นขยะเยอะมากเลยอันนี้เรียกว่าสมูทไทยดังนั้นในจุดเนี้ยในส่วนของนามาูปขึ้นอยู่ก็ว่าเปลี่ยนตัวอวิชาที่เป็นตัวต้นของมันเนี่ยให้เป็นวิชาได้ไหมแล้วเขามาฝึกวิชาฝึกสติความรู้สึกตัวฝึกวิชาใช่ไหมแต่เราใช้เป็นไหม ถ้ามันเป็นวิชาถ้าใช้เป็นมันกลายเป็นปัญญานะแต่ให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรพอใช้เป็นปัญญาปับ๊บมันก็เป็นแสงสว่างที่ทําอะไรได้ง่ายได้คล่องเดังนั้นเวลาคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสี่สามสี่อย่าง ที่ท่านสวดในธรรมจักกับปปุตตะนั้นสวดจกคุงอุทาปาทิยางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอะโลคุทาปาทิเคยฟังพระสวดไหมเคยฟังแต่จะไม่ได้เราไม่ใส่ใจที่จ ะ, จะเเพราะเป็นภาษาบาลีมันจะเป็น <c oughs> แต่ในแง่ของทฤษฎีเนี่ยเมื่อเกิดธรรมจักสุคือดวงใจเห็นธรรมแล้วมันจะเกิดญาณคือตัวรู้ตัวขึ้นมาในตัวนี่เขาเรียกว่าญาณังอุทาาทิ ญาณเห็นกายเห็นใจของตัวเองนี่เป็นญาณอันขั้นที่หนึ่งเลยนะนะเห็นกายกําลังเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอย่างไรเห็นใจกําลังคิดหรือไม่คิดอย่างไรเห็นตัวรูกก้กําลังรู้ญาณนางุทัปฏิเพราะอย่ง น, นั้นบุทาปฏิมันก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้เท่าทันว่าอะไรควรจะทําอะไรไม่ควรทําก็เกิดวิชาขึ้นมาเออสิ่งนี้ต้องทําแบบนี้นะถึงจะถูกสิ่งนี้ถ้าทําแบบนี้มันไม่ถูกเป็นวิชาอะไรใช่ไหม อันส่วนที่เป็นวิชารู้ถูกปั๊บมันก็มีความแจ่มแจ้งอยู่ในหัวถ้าจะทํางาันก็ถูกแล้วทีเนี้ะตัดแกะไขแกะสลักหัวหน้าไงก็สวยละเพราะไอ้สิ่งที่เราจะทํามันแจ่มแจ้งอยู่ในอโลโกโุธาบัติแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราเวลาสวด น, นะมันก็จะต้องมี บาลีและคําสอนพุทธเจ้าที่มันเป็นจริงรับรองนะถ้าไม่มีสิ่งนี้รับรองเราเราโม่วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้นักสอนใฉย่ก็เป็นยังไงนะโม่วตามตามความคิดของตัวเองคิดว่านะมันไม่ใช่แต่ที่มันถูกต้องออบาลีท่านว่าไว้อย่างนี้นะเราก็ไปทําความเข้าใจให้ชัดเท่านั้นเองว่ามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อตัววิชา มันเกิดอย่างไรวิชาเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะต้องเกี่ยวข้องแต่วันนี้เรื่องของรูปนามนามรูปก็พอนะะแต่ว่าตัวรูปนามนามรูปมันจะต้องสร้างวิชาคือสติตัวนี้ให้ได้นะแต่ว่าสร้างได้แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นไม่เป็นเนี่ยเกี่ยวข้องปัญญามีไม่มีบางคนสร้างสติทั้งปีทั้งชาตินะแต่ไปทําอะไรไม่เป็นปัญญาเกิดไหม จะคุงอุท่ปฏิญาณงวดที่แต่ว่าไม่ปัญญาอุท่ปฏิแล้วเนี่ยปัญญายังไม่เกิดเลยได้แค่สองตัวคือเกิดรู้เข้าใจตัวเองได้รู้สึกตัวแต่เวลาอะไรมากระทบความรู้สึกไปกับสิ่งนั้นเลยนะอามาเห็นโยมหลายคนอ่ะแต่เขาไม่รู้จะวา่าก็เพราะว่าปัญญาไม่เกิดอ่ะก็ต้องดูแลเข้าไปอย่างน้อยเขามีสถามนมาปฏิบัติใช่ไหมวันหนึ่ง เขาอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้สองปีห้ปีไม่เกิดปัญญาบอกว่าคุณกลับบ้านได้แล้วเสียเวลาชั้นสอนเราจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวก็เสียใจเป็นบา่วาวเองนะก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวอยู่ไปนานๆก็สร้างปัญหาในสำนักแล้วทีนี้เพราะปัญญาไม่เกิดสำนักต่างๆก็เกิดทั่วไปมีปัญหาทั่วไปใช่ไหมพระท่าเลาะกับชีชีท่าเลาะกับพระชีพชีชท่าเลาะกับชาวบ้านก็เป็นนักปฏิบัติด้วยกันนี่นะพวกนี้มันได้ญาณได้ ได้จักสุได้ได้ตัวรู้จริงแต่ไม่มีปัญญาประโยชน์เกิดไหมเกิดน้อยมากนะเกิดน้อยมากดังนั้นเมื่อไม่มีปัญญาวิชานี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดชัดเจนไม่รู้อะไรควรหรไม่ควรชัดเจนนะเมื่อรู้อะไรถูกควรหรือไม่ควรก็าทาไปตามอารมณ์เดียวีนี้จักสุที่ได้มาก็าไม่เป็นประโยชน์ความรู้สึกตัวที่มีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ เพาะไม่เกิดเป็นปัญญาเป็นเป็นวิชาไม่เกิดแสงสว่างนะดังนั้นเองในจุดนี้เราจะต้องศึกษาให้ให้ชัดเจนมาตอกย้ําว่าความรู้สึกตัวฉันรู้แล้วนะแต่รู้สึกตัวที่ถูกต้องเป็นอย่างไรที่ถูกต้องมันต้องดูรูปเป็นอนิจจังทุกขงกังนัตตาดูกายนี้เป็นที่ตั้งของอนิจจังทุกขงกังนัตตาเป็นที่ตั้งความเปลี่ยนแปลงแปรปวนแตกดับตลอดเวลาแต่ถ้าไปดูรูปนี้เป็นเรา รู ก, กายเนี่เป็นกูไปไงก็ต้องว่าไปตามสมมุติละทีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้สมมุติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยใช้ปรมัดเท่าไหร่แต่ในช่วงสมมุติเนี่ยถ้าเราต้องมีปรามัตดเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันก็เป็นสมมุติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นสมมุติที่จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการจัดบริหารการจัดการการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยมันจะเรียบร้อยเป็นศีล ไปหมดเลยนะสมมติที่ถูกต้อมบรรยากาศเป็นศีลปรมาทิตย์ถูกต้อมันรการเป็นสมาธิญาณปัญญาที่ถูกต้อมันจะการเป็นปัญญาไปเรื่อยๆจากตัวรู้สึกตัวนน้อยอย่างเงี้ยเราจะทำให้มันต่อเนื่องอย่างไรแล้วก็เราไม่ได้ไปนเน้นเฉพาะนีนั่งทำเท่านั้นนะเน้นตลอดเวลาถ้าเฉพาะไป็นนั่งทำในรูปแบบเนี่ยมันไม่พอหรอกใช่ไวันไม่กี่ชั่วโมง แต่เราใช้ความคิดวันกี่ชั่วโมงตลอดตราบใดที่เราใช้ความคิดตามนั้นความรู้สึกตัวต้องปรับตามประกบเรามันถึงจะเอากันอยู่ใช่ไหมอย่าว่าจะมานั่งสร้างจังหวะอย่าว่าจะไปตามความคิดแม้แต่นั่งสร้างจังหวะมันยังคิดเลยอ่ะเดินโยกมันยังคิดเลยถ้าความรู้สึกตัวไม่พอที่จะไม่เป็นแมทไปสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะดับ มันก็จะเป็นปัญญาไม่ได้เกิดเท่าไรดับเท่านั้นคิดเท่าไรต้องรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเป็นตัวดับใช่ไหมตัวคิดเป็นตัวเกิดเกิดกับดับเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะเกิดดับแค่นี้มันไม่ได้ต้องสัมพันธ์กันในแง่ของการเกิดดับดังนั้นทั้งหมดมันจะลิงกมันจะสัมพันธ์ไปสู่การเกิดดับทั้งหมดเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะ คอยดับไอ้เกิดมันเกิดแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่สร้างสติมิยาคอยดับมันไว้อย่าให้มันเกิดมากเกินจําเป็นถ้าเกิดเท่าใดดับเท่านั้นโอเคมันกลายเป็นพลังงานเหมือนจะมาของการเกิดไฟฟ้าใช่ไหมอ่าขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต้องเท่ากันนะประ่ยวเป็นนักไฟฟ้ารู้ดีถ้าเกิดขั้วบวกมากกว่าขั้วลบเกิดอะไรขึ้นไฟไม่เสถียรได้ใช่ไหมอ่า แต่ขั้วลบมากกว่าขั้บวกก็ไฟก็ไม่เสถียรว่าแๆความเกิดขั้วลบก็คือการขั้วลบกับขั้วบวกอันไหนควจะไปเกิดหรือไปดับขั้วลบคัวบวกมีสองขั้วหนึ่ไหมพอมันสัมพันธ์กันพอดีไฟเสถียรและสว่างการเกิดการดับที่มีสติมีเข้าไปปรับให้มันพอดีมันกลายเป็นยานเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่าง หลักการเดียวกันไหมแต่ทําไมไม่ทําอ่ะเพราะยังไม่เกิดจากขงอุทัยยังไม่เกิดปัญญาจากสู่ยังไม่เกิดธรรมะจากสู่แต่เมื่อไหรเกิดธรรมะจากสุมันรู้วิธีการที่จะจัดการวัตถุอย่างไรจัดการกรับจิตก็ อ, อย่างนั้นจัดการสมมุติอย่างไรจัดการปรมัตถ์ก็ อ, อย่างนั้นโอ้หลักการอันนี้ทําไมพุทธิยถาถึงค้นพบแล้วผ่านไปสองพันเกือบสามพันปีหลวงพ่อเทียนเกิดมาจับร่องรอยอันนี้ได้อีกแล้วเอามาให้เราพวกเราได้ศึกษา มันก็ไดโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนั้นที่เกิดมาเกิดมายุคนี้เป็นมนุษย์แล้วต้องพบพระพุทธศาสนาด้วยแล้วมีโอก า, าสทํำวิปัสสนาเลยแต่ถ้ารับวิธีการของพวเทธดยายิ่งมีโชคดีเลยทีนี้แต่รับได้เกิดปัญญาหรือเปล่าได้เดชสติถ้าไม่เกิดปัญญาก็เหมือนกับพบของดีที่เอาของดีไม่ได้จะมาโทษใครอะโทษกูแหละไม่จะโทษไม่จะโทษคนอื่นน่ะเพราะเรายังเห็น กลายเป็นกลัวไปโทษตรงนั้นใช่ไหเห็นรูปเป็นเราอ่ะไปโทษตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ต้องทำไปเรื่อยๆถ้าทำชาตินี้ไม่ได้ไปต่อชาติหน้าชาติต่อไปเรื่อยๆดังนั้นไหนๆก็เจอกันแล้วเนี่ยก็พยายามกันหน่อยใช่ไส่วนจะได้มากได้น้อยอย่างน้อยถ้าตายไปมีสติสักยี่ห้าเปอร์เซนชาติ ต, ต่อไปก็ไปต่ออีกห้านสะิอร์ชาติต่อไปได้ห มันไม่ยังไม่หมดกิเลส น, นะต่อไปอีก75็เปอร์เซีชายต่อไปได้แน่ที่เนี่ยร้อยเอร์เซ็นเลยแต่ถ้าหาคนไหนสดิเกินมากกว่าดับเออเพิ่งรู้เนี่ยดวงตาเห็นทําแล้วเนี่ยเพิ่งรคาคนไหนดวงตาเห็นทํามเราโพลงขึ้นมาเลยเกิดมันมากกว่าดับเพราะฉนั้นเราจะต้องทําตัวดับให้มากกว่าเกิดไม่ใช่มากกว่าให้สมดุลเลยอย่าว่ามากกว่าให้มันสมดุลกันข้อบวกเกิดเท่าไหร่ก็ให้มีข้อลบเท่านั้นนะข้อลบเนี่ยมันมันไม่ ไม่มากแน่เนี่บวบวมันเกิดเรื่อยๆดังนั้นตรงนี้เองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเกิดการระมัดระวังในการที่จะคิดในการที่จะทําในการที่จะพูดเราสังเกตได้นะว่าคนไหนที่ได้สัมมาสติแล้วเนี่ยการพูดการทํากติกจะมีการระมัดระวังยิ่งขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วยังจ่อยๆจยๆเหมือนเดิมนะไม่ทันตามรู้กําหนดอะไรเลยนะก็ยังไม่ ยังไม่ชัดยังไม่รู้ต้องเกิดการใคร้ครวน <c oughs> หลักการก็คือนี้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องหลักวิชาแนละ้วว่าจะไม่พูดนะพอมันเป็นหลักวิชาการนิดหน่อยนะตั้งใจฟังนิดหนึ่งวิชาที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญาเป็นญาณได้เนี่ยมันจะมีหลักของมันสิบประการหนึ่งต้องพบครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงนะเพร อ, อะไรต้องพบ เพราะมันจะเกิดปัญญาอีกสามตัวถ้าไม่พบท่านนี้นะปัญญาอีกสามตัวไม่เกิดหนึ่งพบท่านได้เกิดสุตะมยะปัญญาคือได้ยินได้ฟังท่านสองเราเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเป็นภาวนะเข้าใจถูกต้องเลยนะเป็นจินตามิยะปัญญาสามสิ่งที่เราเข้าใจไปทําได้ถูกด้วยเข้าใจได้ถูกด้วยสามารถเปลี่ยนคําว่ากายนี้ยให้เป็นอนิจจังทุกขังนาตาได้ เปลี่ยนคำว่าลูกเป็นเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปได้ไม่ใช่เป็นกูหรือเป็นเป็นเราต่อไปละในส่วนตัวนะแต่ในแง่ของสมมติก็ใช้มันตามเรื่องนั่นแหละที่เขาสุบม ม, มาเขาคุณท่านก็ว่าไปแต่ก็คือลูกกับนามใจกับใจท่านก็แปลปรนเราก็แปลปรนเท่า น, นั้นเองแต่สมมุติกันนะเสร็จแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังเอาไปทาถูกต้องเกิดเลยคือศรัทธาอยากจะทา เออท่านพูดจริงเนาะเข้าใจได้เนี่ยลงมือทําเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาปัญญาต้องมาก่อนศรัทธาถ้าศรัทธามาก่อนปัญญาไม่ใช่ที่ปัญญาพิมานี่มาจากไห น, นมาจากกัลยาณมิตรได้พบพระพุทธเจา้าพบพระสาวกได้พบสาวกของพระพุทธเจา้าได้พบผู้รู้จริงศัตย์ปัญญามาจากตัวนั้นเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องไปเรียนหนังสือไปเข้าโรงเรียนกันเพราะต้องการปัญญาจากครูบาอาจารย์ใช่ไหม แต่นั้นเป็นเรื่องของพระถุอ่ะแต่ใ น, นเรื่องของนมามประธรรมท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรท่านไม่ใช่คำว่าครูคือเป็นเพื่อนดีๆเป็นเพื่อนที่ไปสิฐต่อกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดในปรมาภ ร, ม, าราาม์กัลยาณมิตรได้สูตรอ่ะว่าพานุนบอกว่าโอ้มีเพื่อนที่ดีอย่างพระ อ, องค์ท่านนี่หู ม, มันช่วยได้ครึ่งหนึ่งของผมมาจาัดเลยนะท่านว่างั้นพระพุทธเจ้าบอกอ น, นุนเธออย่าพูดอย่างนั้นเธออย่าพูดอย่างนั้น ได้เป็นกร ะ, ะดิมิตได้กร ะ, ะดิมิตได้ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องที่ดีงามมันเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ท่านว่าเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติเลยว่าใครอาศัยเราเป็นกระดิมิตแล้วผู้นั้นจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้จะพ้นได้อย่างไงก็พ้นจากที่เราเกิดปัญญาใช่ไหมความเกิดความคิดเนี่ยความคิดมันเกิดแล้วมันแก่ไหมมันเกิดแล้วมันแก่แปลปัวนมันแก่แล้วเมื่อกี้เราคิดขึ้นมาปับ๊บเอาเรื่องนั้นไปต่อมันแก่แล้ว แล้วคิดไปแล้วมันเกิดพอจะไม่ผ่านไเจ็บไหมการเจ็บป่วยทํางจิตใจแล้วความคิดนั้นตั้งอยู่ได้ไหมที่เราคิดเมื่อกี้ตั้งอยู่ประเด็นมันตายไปแล้ววันเกิดแก่เจ็บใจนี่เกิดขึ้นในใจเรากี่ครั้งอ่า น, นับไม่ไว่าน่าไม่ไว้อะแต่เราไปคิดว่าเกิดแก่เจ็บายร่างกายนี้อันนี้เกิดแก่เจ็ไดม้มันแก้ไขได้เหรอสัตว์มันก็แก้ไขได้กว่าดีกว่าเราอีกใช่ไหมอ่าไปดูหนูหนูไหนดู ทิ้จูบทุกแกมันเคยเข้าโรงพยาบาลตรงไหมไม่เคยในะเราได้เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเป็นเวรก็ยังยังเอาตัวไม่เคยรอดนะนะโดยสัญชตาตญาณทางกายเนี่ยสัตว์ทําได้ดีกว่าเราแต่ในแง่ของทางจิตเนี่ยสัตว์มันทําไม่ได้และคนไม่เกิดปัญญาก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพบกเรียนมิตรแล้วทําให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็ศรัทธาที่จะทําเพราะศรัทธาที่มันเป็นหลักณะที่ถูกต้องนะไม่ใช่ศรัทธาหลวงพ่อลูกเหรียญศรัทธาคนนั้นคนนี้นะ ศรัทธาอยู่สประการหนึ่งศรัทธาที่การกระทําของตัวเองศรัทธาที่จะรู้การกระทําของตัวเองชัดๆเรียกว่ากรรมวิศรัทธาสองเมื่อเราทําอย่างชัดๆอย่างถูกต้องแล้วมีผลไหมเราทําอย่างผิดพลาดมีผลไหมไมีถ้าเราทําถูกมีผลถูกถ้ า, าทําไม่ถูกมีผลไม่ถูกเรียกว่ากรรมวิปากศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำสามสิ่งที่ทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยมันตกแก่ใครอะ่ะ ตัวแกตัวเองใช่มเรื่องกรรมสกตาสธาติสีเราสามารถพ้นจากความถูกความผิดนี้จากการกระทําได้ด้วยการทําตามที่พุทธิยาตรัสรู้และตะถาคตประพุทธสิสธาติสธาต้องต้องเกิดลักษณะ4อย่างนี้นะไม่ใช่สธาติทุนไม่มีหลวงพ่อขุณฉันไม่สัตหานี่ก็ไม่ได้นะสธาติสธาติไม่ใช่อาจารย์มหามวพูดฉันไม่เชือ่ออันนี้สธาแบบนี้ไม่ได้ยังเลือกบุคคลยังเลือกตัวตนอยู่ แต่อะไรก็ตามที่มันถูกต้องมันดีงามมันพิสูจน์ได้ศรัทธาไม่ว่าสิ่งนั้นเด็กจะพูดก็ตามคนพานจะพูดก็ตามให้เชื่อเอาที่ความถูกต้องใครจะพูดก็ตาม น, นนี้เรียกว่าพอเกิดศรัทธาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความได้คิดละเรื่อเกิดสติสัมปชัญญะเมื่อก่อนทําเรื่องนั้นกินเหล้ามาทั้งนานไม่ได้คิดหลังจากไป กลับไปจากงานนี้แล้วได้คิดว่าโอ้เราทําร้ายตัวเองมาตลอดนะกินเหล้านี่นะโอ้เราสูบบุหรีน่นี่เราเผาตัวเองมาตลอดนะได้คิดแต่กลับไปยังไม่ได้คิดยังกินเหมือนเดิมยังสูงมาเดิม ม, ม, ด ม, มันก็ยังไม่เกิดปัญญาอยู่ดีนะอบรมมาเจ็ดวันห้าวันเจ็วันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะมันไม่ได้คิดยังไม่เกิดศรัทธาถ้าไม่ได้คิดโอ้โหกูไม่น่าเผาตัวเองมาขนาดนี้เลยสูบบุหรี่มาแล้วกูไม่น่าจะเอาน้ำเมามาเผาตัวเองน้ำนรกทองแดงเผาตัวเองกูทำได้ยังไงเนี่ยเลิกเลยเดีขาดเลยวันนั้นเลย นี่เขาเรียกว่าเกิดศรัทธาที่มีปัญญาได้สติเรานอนนั่งคิดนอนคิดเน่ยมาต้องปีทั้งชาติเนี่ยแล้วมันต้องคิดได้ยังไงมันเสียเวลาทั้งทั้งสิ่งที่เราคิดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วไปเสียเวลาคิดทําไมทิ้งความคิดนั้นได้เลยดีไหมแล้วทําได้ไหมถ้าทําได้เนะเขเกิดปัญญาแล้วถ้าทาไม่ได้ก็ต้องมาอบรมบ่อยๆเลยเนาะมันก็จะอาจจะเกิดได้ศรัทธาได้คิดสักครั้งหนึ่งเนะ่ยขึ้นมาไหม เนี่ยมันมีเรื่องเยอะที่เราจะทําแต่เรายังไม่ได้เครื่องมือมันมีวัตถุ ด, ดิบเยอะแต่ว่ามันเน่าเสียไปเฉยเมื่อก่อนการเกษตรเราไม่เจริญใช่ไหมผลไม้มันแก่มันตมนตมันทิ้งเราไม่มีประโยชน์เดี๋ยวที่เขาเก็บเอาไปทํากระป๋องทําอาหารอะไรเทคโนโลยีมันสูงความคิดเราคิดมาแต่ละวันถ้าเรามีวิปัสนากรรมฐานเป็นเทคโนโลยีในการแปลสภาพความคิดให้เป็นตัวรู้ใช่เนี่ยคือ ป, ประโยชน์ไหม เป็นแสงสว่างมหาสาลเลยนะเพราะฉะนั้นมามั่นใจว่าคนทุกต่อไปเขาจะเก่งกว่าเราคือหมายถึงตัววิปัสสนารุ่นเรายัางได้ขันนี้อ่ะจ้ยรุ่นต่อไปที่เขามีการศึกษาดีมีความเข้าใจดีมีสมาธิฏฐิดีพ่อแม่สร้างมาดีรุ่นโตขึ้นรุ่นต่อไปมันจะเป็นยุค ข, ของพระอะไรพระสีอานมามั่นใจพระสีอานไม่ี่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วมันจะเป็นยุค ข, ข้างหน้าแหละทีนี้มาดูว่าเมื่อเราเกิดได้คิดสติสัมปัญญะแล้วเนี่ย มันก็จะเกิดความถี่ทุวนในการทําถีทุวนในการพูดถีทุวนในการคิดไม่ทําอะไรไปอย่าแบบไม่เมื่อก่อนทําไปตามที่อารมณ์ที่มันจะจะพาไปอแบบ่ะถ้าจะอยากจะพูดนี้ก็พูดเลยแต่ผมได้คิดได้สตนะิเนี่ยก่อนที่จะพูดให้มัใช่หรือเปล่าที่จะพูดเนี่ยพูดแล้วมันเป็นผลยังไงเนี่ยผลดีต่อเราไหมผลเสียต่อเราไหม <c oughs> ก่อนจะพูดกี้ก่อนจะทําอะไรลงไปเนี่ยทาแล้วมีผลดียังไงผลเสียยังไง ก่อนจะพูดทําคิดมันเริ่มคลครวนใ่ต่อนในการทําการพูดตรงนี้เขาเรียกเกิดโยนิโสมานสิการตามไม่ดีนะเดี๋ยวเรีหลวงทางเนกะิด <c oughs> ค, คือความระมัดระวังเพิ่มขึ้นที่ท่วนขึ้นในการทําพูดคิดทุกเรื่องแต่ว่าละเอียดกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะถ้าละเอียดยี่สิบห้าเปอร์นขึ้นไปแสดงว่าดวงตาเห็นทำเกิดแล้วแต่ถ้าละเอียดจํากว่ายีา่บห้าเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ แต่อย่างน้อยให้20ซขึ้นเนถือว่าเป็นมรคแล้วนะเป็นโซดาปฏิมรคแล้วถ้าละเอียด 25% ขึ้นนะเป็นโซดาปฏิผลลแล้วละเอียดขนาดไหนอ่ะละเอียดขนาดว่าเพราะละเอียดอย่างนี้เกิดอะไรเกิด <c oughs> อ, อ, อินทรียสังวรระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าโยนิโสมณิสิกานระมัดระวังแค่การทวารทั้งสามใช่ไหมคือการการะทําการพูดการคิดแต่พอเกิดอินซีสังวรมันบวกอีกสาตาหูจมูกลิ้นกายใจ สํารวมระวังในการจะดูอะไรก็ดูแบบน้ำวัดระวังว่าจะไปหลงคิดเอานะในสิ่งที่ดูแต่นะมันจําเป็นต้องดูเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นก็คิดเฉพาะเรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยนะคิดอดาดต้นไม้ดูน้ําดูมันหิวไม่ได้รดน้ําหลายวันแล้วนะก็ตั้งสติเดินไปหาน้ํามามารดอย่างมีสติใช่ไหมนี่อินทร s สังวรเออคนคนนั้นทํานั้นมันจะผิดนะเดี๋ยวนะครับ ไม่ไปบอกเดี๋ยวมันทับผิดมากกว่านี้เดือดร้อนนะก็ค่อยตั้งใจไปแล้วหาวิธีว่าจะพูดอย่างไรไม่ให้มันเสียใจจะจำเนียอย่างไรไม่ให้มันโกรธใช้ปัญญาล ะ, ละดัจกจันทรได้อีซีสังวรหรือเห็นพ่อบ้านแม่บ้านทําอะไรไม่ข้อท่าเนี่ยอยู่ร่วมกันเราทาอะไรข้อท่าบ่ว่าเราพอเดือดร้อนด้วยนะที่จะไปพูดกับเขาอย่างไรไปทํากับเขาอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดโบยช้าน้ําขุนเนี่ยมันจะใช้ปัญญาเห็นไหม ตัวนี้เขาเรียกอินทีสังวมันก็ก่อให้เกิดตัวสุจริตสามกายที่เราทําไปก็ไม่เกิดปัญหาตรวจสอบได้สิ่งที่เราทํามาเนี่ยไม่มีอะไรมีปัญหาพูดที่พูดไปแต่ละวี่แต่ละวันที่ฉันพูดมาตลอดทั้งวันวันเนี้ตรวจสอบได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ทํากระทบกระเทือนไข่แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะคาพูดของเราเขาเรียกว่าจีสุจริตแล้วก็ สิ่งที่คิดมาทั้งวันวันนี้ตรวจสอบเข้าไปแล้วเราไม่ได้คิดสิ่งที่เป็นอกุศลแต่สิ่งที่เป็นเป็นอกุศลเผอคิดไปฉันก็รู้ทันมันก็เขียนมันออกได้ทันในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความดีทั้งหลายฉันก็ไม่ได้นำมาคิดฟุ้งซ่านเพราะมีได้ถึงเวลาทำตรงก็กำจัดออกไปได้เป็นมโนสุจรินต์ไหมเร็วเกิดสุจริต์สามกายสุจรินต์วจีสุโมโนสุจรินตเมื่อเกิดสุจรินต์สามว่าเป็นไงมาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้ผลเร็ว เกิดสติปัญหาสีเหลืออตโนมัติเลยเมื่อทำสติเจริญสติแบบนี้ไม่นานเกิดความเข้าใจเกิดธรรมพิญญเกิดวิิยะปิติสมาธิอุปเขาได้รวดเร็ว เ, วเป็นโพชฌงจิตเกิดนะแล้วก็รักษาระดับของการปฏิบัตอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างถูกต้องเกิดอริมักมีองค์แปแล้วถึงเกิดการพ้นจากความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดวิมุตตนี่คือวิชา ที่ว่าเมื่อกี้จำได้ไหมวิชาประกอบด้วยหนึ่งพบครูบาอาจารย์สองได้ปัญญาสามเกิดการได้คิดสถิสัมปชญญะใช่ไหมสี่เกิดความละเอียดรอบคอบถีทุนโยนิสูรมนสิการห้าเกิดละมัดระวังตางหูจ ม, มูกนิ้ในไหในการแสดงออกในการสัมปันหก เกิดกายวาจาใจก็ไม่ไม่มีปัญหาสุจริตสามเจ็ดมีโอกาสได้สติสติประธานสี่แปดเกิดโพูดชงเจ็ดเก้าเกิดอริมักพุองแปดสิบเกิดวิมุตเห็นไหมวิชาจะเกิดด้วยลักษณะสิประการเนี่ยอันนี้คือหลักวิชาแต่ว่ามันจะเดินตามนี้แหละถึงเราจะพูดถึงไม่พูดถึงก็ตามถ้ามันได้ทางที่ถูกมันจะเดินตามนี้เป็นวิชาที่ถูก ซึ่งเรื่องเหล่านี้มาว่าอทําไมเราไม่พูดถึงกัน <c oughs> เวลาพระเทศพระพูดไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะหาเงินเนาะเรื่อยๆไปสร้างบุญนั้นเนี่หลวงพ่อสร้างสลาหลังเบื้องเริ่ม เ, เงินยังไม่พอเลยโยมทำไงเนี่ยอจัดกระถินจัดฟ้าป่าหาเรื่องเดือดร้อนเราทีเนี้ยตัวเองก็เดือดร้อนโยมก็ไม่ถวายท่านก็จะทํายังไงท่านอุสสาลงทุนพูดแล้วนี่นะี่ยมันก็เกิดความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมาก่อนนะใช่ไหม คนที่มีศรัทธาก็ว่ากันเต็มที่แต่นั้นเรื่องเหล่าเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนานะเป็นเรื่องของประเพณีก็เรียกพุทธประเพณีพุทธวัฒนธรรมแต่ว่าพุทธธรรมแท้ๆเนี่ยมันเกิดน้อยมากทั้นั้นมาถึงบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันนะช่วยกันเพื่อที่จะปฏิบัติให้เห็นชัดแล้วก็ให้ได้ผลกับตัวเองก่อนเมื่อยังไม่ได้ผลทําบ่อยๆ อ, อบรมครั้งเดียวไม่ได้แค่นี้นะ ไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เริ่มออกไปทําที่บ้านเป็นนะพอทําที่บ้านเป็นใช้ได้ผลมากขึ้นก็ไม่จาเป็นต้องไปละเป็นแล้วนี่เนาะก็จบป .4 สี่แล้วเนี่ยไปเข้าก็ไม่ต้องไปเข้าป !4 สี่อีกแล้วเราก็หาทางที่จะต่อปวสห้หาทางที่ต่อมัธยมบุรีมาหาลัยไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆัดเก่าไปกัดเก่าไปชีวิตเขาเราก็สบายดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เบื้องต้นเนี่ยให้ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองให้เป็นคำว่าดูตัวเองออกในขณะนี้ว่าเราขณะนี้ยเรามีอะไรสบายหรือไม่สบายบ้างดูดูให้เป็นก่อนง่ายๆทุกคนมีสบายไม่สบายอยู่แล้วใช่ไหมเราจะจัดการกับมันอย่างไรไม่สบายก็มีสติจะรู้ก็เอาออ ก, ออกไปถ้ามันสบายเกินไปก็จะไปนั่งแชจนตาหนังตาหนักขึ้งนั้นไล่ความสบายออกไปเสีปรับเนื้อปรับ ร่างกายปรับแล้วให้ปกติไล่ไปอย่าไปแช่ตรงนั้นถ้ามันสบายเราไปแช่นิ่งเนี่ยมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาตรวสอบแค่นี้ก่อนตอนแรกเนี่ยให้เป็นแก่ว่าสบายไม่สบายทางกายแก้ไขให้เป็นทุกทุกขณะมีสติตามรูปขณะเอาแค่นี้ก่อนตอนแรกเนี่ยไม่ต้องออกมากทำของที่มีอยู่อะคือความไม่สบายไม่สบายไม่สบายมีอยู่กับเราอใช่ไหมทาให้มันเป็นโดยให้มันมีสติสัมปชัญญะดังนั้นในเช้าวันนี้ เนื้อหายเยอะมันน่าจะพอแล้วเนาะเพราะวันนี้จะต้องเอาไปทำทั้งวันนะสิ่งทั้งหมดไม่ต้องเอาไปซับซ้อนทั้งหมดอย่างพูดมาแล้วเพียง <c oughs> แต่ให้ไปสังเกตความไม่สบายไม่สบายทางกายให้ ช, ะชะัดๆแล้วก็ตามรู้มันไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งน ะ, ะมันปรากฏให้เราเห็นนะ่ะเราก็เพียงได้สังเกตมันเกิดตอนนี้เดี๋ยวมันก็เกิดต่อไปเรื่อยๆก้าวตนนัวนี้สบายไม่สบายเขาเกิดหายใจบางคำ สบายหายใจบางครั้งไม่สบายเลี้ยวซ้ายเลยขวาบางครั้งสบายบางครั้งไม่สบายหยิบหยับจับฉวยบางครั้งสบายบางครัง้งตามรูนไปเรื่อยๆถ้ามันสบายก็โอเคเป็นปกติเกิดสินถ้ามันไม่สบายเข้าไปจัดการเกิดสมาธิแล้วจัดการถูกต้องแล้วทําได้เรื่อยๆเกิดปัญญาชีวิตเบาไหมแค่นี้ก็เบาทั้เยอะแล้วนี่ใช่ไหยถ้าทําเป็นนะแต่ว่าบางทีบอกอยู่ก็ยังทําไม่เป็นเลไม่รู้จะทําไง เอานะีใช้ความพยายามหน่อยนะเนาะใช้ความพยายามหน่อยนะไม่เกินความสามารถของเราไปได้เราตั้งใจทําของง่ายๆนี่ก่อนนะได้เวลาที่เดินชกลุมเราตอนนี้เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราจะต้องนําไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้แจม่มแจ้งเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดทุกข์อีกหลายภพหลายชาติให้เข้าใจแจม่มแจ้งได้ในชาตินี้ด้วยการทุกข์ทุกท่านถือ